Namo tatsa bhakvato arhato samma jambuddhatsa Namo tatsa bhakvato arhato samma jambuddhatsa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa pujā ca mūjanīyānang ja e dhammaṅgala mottamanti imassa dhamma pariyāyassa ธรรมโมฑนตโมติวันนี้นับเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคณะ ชีเป็นวันเริ่มต้นแนะนําในทาง 46 ปี แม้สังขารสรีระของท่านจะร่วงคุณธรรมชื่อเสียงเกียรติคุณท่านยังฝาก ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่จะมาพร้อมร้อม เราก็มาพร้อมเพรียงกันขึ้นชื่อว่าบุคคล ก็มีเลือดมีเนื้อมีชีวิตติดใจเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันตรงเป็นวันแจ้งที่ทุกคนก็ทราบอยู่วันพระวันประเสริฐนั้น ทำความประเสริฐให้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขนขวายหาบุญแก่ชีวิตจิตๆมา ส่วนหนึ่งที่ชี้แจงวันนี้ได้ยกเป็นหัวข้อที่ว่าบูชาจะปูชนิรัง แต่บุคคลที่พึงบูชานั้นก็มีจํากัดเรื่องของการบูชาก็เป็นของกลางแต่ใครจะบูชาด้วยวิธีการ ได้ยินได้ฟังและได้บําเพ็ญได้บูชา หมายนิยามบูชาบุคคลและสิ่งที่ Blue light dot com together again fenestate that had planned more, someinn tenant being able to present wee bit more. autniciorga ness is standing to be moreano yet whole tempered talk which would potentially have to represent no matter but a lot of outward people have to present of this one. If there's potage on the idea свобод there's a process of DidEP there's somebody who เเล้วมีความเป็นญาติโดยธรรมะด้วย เราก็ต้องรักษาจากเรื่องของ คนโง่กรัวยากรวจนจึงไม่ธรรมุนทำทานแต่คนจาราดกรรวยากรวจนจึงรีบทำมุนทำทานคนโง่กรัวเสียเปรียกจริงไม่รักษาศีร์คน 조�ราดกรัวเสียเปรียกจริง รีบรักษาศีร์คนโง่กรัวบ้าทีไม่ภาวนา สงบละมีความรู้ยิ่งเห็นจริงการ เสริมเติมเนื่องความดีก็ยิ่งหรือในส่วนที่ทําธรรมเหมือนกันความสุข เป็นเรื่องที่มีผลมีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเรายิ่งขึ้นไปและในเรื่องของการที่จะ บูชาคนดีให้สําเร็จประโยชน์บูชาคน อยู่ที่บุคคลก็จะนําธูปดอกนั้นบูชาคนด้วยกันเองนําไป ขึ้นชื่อปัญญามากบูชาสิ่งที่ก็อยู่ในโรงดําของเค้าในโรงงานเค้าส่งมาที่เป็นร้านค้ามนอคนซื้อ ไปให้จุดแสงสว่างสําหรับส่วนตัวหรือส่งคนอื่นก็เรียกว่าให้ประโยชน์ 2 คนด้วยกันอย่างไรก็นําเทียนบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่นํา เลยในส่วนที่เป็นดอกไม้อยู่ตามกิ่งตามช่อตาม บางรายก็นําดอกไม้ไปบูชาไปเจ้าอาวจาแม่ตามศาลต่างๆบูชาเทพเจ้าจะเป็นเจ้าที่เป็นลุกเทวา ที่จะนำดอกไม้มาบูชาพระอัยยสงนั้นก็ต้องมีปัญญาๆแล้ว กระแสที่ปลุกกันได้เพราะว่ามันจะถือว่าถ้าอ้อนวอนเทพเจ้าท่านจะช่วยเราอย่างนั้นน่ะนี้เรามีท่านแล้วท่านจะคุ้มครองให้บรรดาให้ไม่ยากไห้จนอันนี้มันเป็น ที่เป็นเทพไทอินพรมทั้งหลายนั้นล้วนแต่นอบน้อมเคารพพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ว่าเมื่อมีการฐานะ ห้าคนเรียนระบบูชาถึงพระพุทธ 2500 กว่าปีแล้วแต่ เวลาจ้ายขายายปร improvis ά téléphoneเจริญมากแล้ว ปันเทศจะเรินนั้นตาก่อนเขาไม่เข้าใจอร์ดิทย์ภ aprendach เขาก็อนวอนทัยวันอนักษณีท ranges หรือพاهเจ้าrr Gottesouthре ว่า ธังคตบรรลุทำขึ้นมาด้วยคานำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมี อะไรเป็นบุญเป็นกุศลในความดีบำเพ็ญไปก็จะเกิดความดํารงเนินขึ้นแล้วท่าน ความเชื่อถูกต้องผู้เขาต้องได้แล้วจิตตั้งไว้ เล่าทรงอุตสาหะจีรังท่านทําไปทั่วไปมั้ยพระองค์ลงรับตอบขันไป เราใช้ธูปหอมจุดดอก 1 บูชาพระคุณาธิคุณดอก 1 บูชา ใจแล้วก็คนใจดีนี้แล้วบางคนใจดีใจมีกรุณา ด้วยเมตตาเจริญและรักษาศีลจึงทําให้จิตของเรามีขอสะอาดมากขึ้น ทำให้เกิดสติปัญญาขั้น 1 ทำแต่ก็ต้องปฏิบัติบูชามี ต่อเมื่อพอนาจิตสงบแล้วเมื่อพอนานจิตสงบแล้วจิตก็ค่อยใสตรงๆแล้วคนในโลกนี้ไม่ ไม่ได้ทําตามความดีอย่างที่พระเจ้าว่าแต่อ้อนวอนท่าน เรื่องของหนมีความหมายว่าสว่างในแสงไฟจิตใจสว่างใน ส่วนวินัยนั้นสอนว่าอย่าทําชั่วคือให้รักษาศีลรักษาด้วยข่าว รู้ทางไว้ป้องกันรู้ทางไว้แก้ไขรู้แพ้ถ้าใครที่ต้องการความรู้จริงๆแล้วแล้วอย่าไปอ้อน นะจงอ่ะเราก็ทําดีทําตีป่องใสเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีปัญญา พุทธเจ้าของเราล้วนรับขันธ์ไปแล้วทั้งที่ยังแสดงทําไว้จึงมันเกิดมีพระอัยเจ้าสืบต่อมาตั้งแต่พระมเจ้าวัคคีแต่เป็นผู้บรรลุ ท่านใครเราใกล้เครือจะกินด่างจะว่าอย่างไรพระไอ้เจ้าไม่ชี้แจงแสดงชัดเจนเป็นเรื่องที่ เป็นผู้บัตรดีคือเรียกว่าบัตรดีบัตรดีคือเรียกว่าบัตรนี้สมคนแก่เรื่องความดีไม่บัตรเพื่ออามิสมัดตรงตรงต่อศีล ไม่ใช่พุทธเจ้าประเสริฐประสานเสกทั่วเพียงแล้วก็มาแต่เป็นเรื่องพระเจ้าแต่ละ อัญญามิที่ฟังพระเจ้าแสดงธรรมจากนั้นบังเกิดดวงตา แผนเมืองที่เค้าเรียกว่าเฟเวอร์เฟเวอร์ไวรัยขึ้นมาเป็นลูกเป็นสมัยแล้วตื่นกันเค้าเรียกว่าๆไปให้ มันเป็นเรื่องของการความต้องการกับสนองความต้องการ ทรงทรงใสตลอดกาลจะเป็นทีแม้ทุศนะจะๆไปเคลียวไปไม่ใช่เรื่องศาสนาเร็วเป็นเรื่องคน เป็นการตื่นกระแสโดยที่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ช่วยให้เรามีความดีอะไรเลยเรื่องของถ้าคนต้องการความร่ํารวยไปหาวัตถุบางคนมาแล้วเกิดรวยจริงมันก็ง่ายสิพุทธเจ้าทรงบอกว่าใครต้องขยันขันต้องหายดี มีลาภะนี้รับรองว่าอุทหารสมถะอรขาสมถะกัลยาณมิตรตานมยีตาแล้วคุณธรรม นั่นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของเราเป็นคุณความรู้ความสามารถๆไม่ต้องคัดคนก่อนว่าเขาชวน เอาให้กู้ยืมต่างๆทางการต่างๆจึงมีได้มีคุณประโยชน์และคนที่อยากจะได้เกินไปเงินทอง คอยันเก็บออมใช้จ่ายตามคนเป็นงามแล้วสักวันนึงเรา not theme ธัมมังยันพุทโธธัมโมสังโฆเมตังรังพี่พึงอื่นของเจ้าไม่ เจดีของเรานั้นส่วนหนึ่งก็จะบรรจุทรงบรรจุพระองค์ฐานิธาตุซึ่งเป็นรวมฐานิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อผู้ใดมีส่วนได้ แต่ผู้ที่มาบูชารุ่นสุดท้ายไปหลังก็ยังได้บุญเหมือนกันนอกจากนั้น แต่เมืองไทยเหล่านั้นจะว่าไปแล้วมีผู้มีศีลปัญญาปฏิบัติชอบแม้ การเจริญพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจบด้วยการรวยหรือใหญ่โตหรือได้คนได้ถ้าเข้าใจว่าเราทรัพย์สินมากน้อยต่างๆบ้างเราแล้ว ถ้าไม่ใจเมื่อเรามาฝึกภาวนาอย่างคนจนก็บูชาพระแต่เมื่อไม่เข้าใจแล้วแม้คนที่มีเวลาไม่เข้าใจก็ไปบูชาสิ่งอื่นซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ บูชาส่วนที่เป็นพระธรรมส่วนนั้นท่านจัดว่าเป็นมงคลอารมณ์นอกจากนั้นวัดโสการาม พระพุทธังสรงก็เป็นยอดของสิ่งที่เราบูชาท่านนี้เคยดําเนินเดินทางไปสักการะ เป็นวัดให้ชื่อว่าโสการามเช่นเดียวกับวัดโสการามใน บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านกับหมู่สงฆ์ไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาก็มีเสียงคล้ายฝนแล้วก็มีวัตถุท่านท่านก็ไม่ดูหน้าเริ่มสาย เนี่ยมาอยู่ไกลๆเนาะเป็นรูปของผู้บำรุงบำรุงศาสนาท่านมูนี้คือพระเจ้าตกมาราช เจ้าโตมหาราชนี้แหละมองกันไกลเห็นว่าแม้อินเดียมีสถาบันตั้ง 9 ทาง 9 สายทาง โสนะกับพระอุตตระอ่ามาประกาศนาในดินแดนทวนภูมิจนสามารถทําให้คนทั้ง สังโสนเภละภัตนะเภละไว้นอกจากนั้นซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าโศกชื่อว่า พระอุปคคตเถระสาสโณเถระพระอุทราอุทราเถระว่าให้ฉะนั้นกล่าวบูชาท่านซึ่งเป็นไรทั้ง 2 อย่างนี้หรือว่าบูชาธาตุของท่านไวยะสงห์บูชาพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าไม่บูชาพระเจ้าจักรพรรดิเช่นเจ้า ก็สมควรการบูชากันเพราะท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่อุปสัมปทาวุฒิมาฉะนั้น เป็นหนต้องต้องทําความเจริญก้าวหน้า